พวกเราก็รังสรร่วมกันกนะารปฏิบัติที่พวเราร่วมกันปฏิบัติมนะันเป็นเน้นที่การเจริญสตินะบทีมาบ้านคำว่าเจริญสติเนะี่ยมันเป็นมันเป็นกลางๆดีนะคือ <c ười> ว่าสมาธาิหรือวิปัสสนาบางทีมันแยกกันไปแต่ถ้าว่าเจริญสติเนะี่ยมันมันคุมทั้งหมดนะมันคุมทั้งเรียกว่าเป็นทั้งเรื่องต้นของการปฏิบัตินะทางการของการปฏิบัติหรือแม้แต่ปฏิบัติให้ถึงที่สุดนะก็สามารถมันก็ต้องมีสติมาประกอบทั้งนั้นเนะี่ย แต่พระกุทธเจาท่กกานก็ตัดไว้นะั่นแหละนัว่านะกรรมฐานก็มีสองสองอย่างนะักสมาธิกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ตัวตัวสติเนะี่ยมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เข้ามาประกอบนะทั้งในสมาธิเองก็ดีาาดนะเป็นในวิปัสสนาก็ดีนะการเจริญสติมันมันทำให้เราสามารถเดินได้ตั้งแต่ผู้ที่ เริ่มปฏิบัติเองก็ดนะีเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วนะมันก็ไม่สามารถทำกรรมาฐานนะได้จริงๆนะถ้าจะทำเพียงแค่ความสงบชั่วคราวนะี่นะก็ไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะมีการทำมาก่อนนะการทำความสงบนะแบบนะแบบพามแบบฤทศีนะันมีมาก่อนนะ แต่พระเจ้าท่านนะท่านค้นพบว่าการที่เราจะพ้นจากทุกข์จริงๆเนี่ยคือการที่เราเห็นทุกขนะ์ไม่ใช่หนีทุกข์บางทีสงบเนี่ยมันสงบแบบหนีทุกข์นะแต่การจะพ้นทุกข์จริงเนี่ยคือต้องเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วมันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้นะีการที่เราสร้างความรู้สึกตัวเนี่ย มันจะทำให้เราเห็นเห็นความจริงนะมันเป็นทุกขนะ์เราก็จะพ้นจากมันหลวงพ่เทียนงทีทัานพูดว่าเออเรียกว่าเบื้องต้นของการปฏิบัติทำจริงๆนะคือการเห็นความคิดนะคือแรกๆก็ปฏิบัติไปมันก็ใช่อยู่แต่เหมือนปฏิบัติแล้วมันได้ ห, หลักจริงๆนะคือ เริ่มเห็นความคิดแม้เราจะเริ่มต้นจากการดูกายเคลื่อนไหวมันก็ถูกนะแต่พอที่จะได้ดักในการปฏิบัติจริงๆมั่นใจจริงๆนะเข้ามาถูกทางจริงทีนะคือคือการเห็นความคิดคําว่าเห็นความคิดเนี่ยที่เห็นจิตมันมันรักคิดเห็นจิตมันเผลอไปคิดมันไปจัดเออกับความคิด ไม่ได้ตั้งใจจะเฝ้าดูความคิดนะแต่ก็รู้สึกตัวอยู่ดีความคิดมันโผล่ขึ้นมามันจะเอะกันมันเจเอกันนะสะติไปแค่เอกับความคิดน ะ, ะเลยเข้าใจว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมันถูกความคิดหลอกมนาะตั้งแต่เกิดนะหลอกนะหลอกให้เราอยากเป็นนั่นเป็นนี่หลอกให้เราทํานั่นทำนี่นะ ความคิดมันหลอกเราความคิดมันสั่งเรานะตลอดเลยนะพอมาเห็นความคิดแล้วเออเราดูลับต้นต่อของสิ่งที่มันสร้างพบสร้างชาติในกับชีวิตนี้นะมันทําให้เกิดเป็นสศกเป็นทุกข์นะตับชีวิตนี้คือตัวความคิดเอ ง, เองนะความคิดในที่นี้คือตัวปรุงแต่งนะนะ ตัวที่ตั้งใจคิดตัวที่คิดในการทำงานทําการอันนั้นเป็นการตั้งใจคิดอันนั้นจําเป็นต้องใช้ไม่เป็นไรนะแต่ไอตัวรักคิดนะตัวที่มันปรุงแต่งนะความคิดที่ไม่ตั้งใจเนี่ยโอ้มันมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวถ้าเราเห็นความคิดจริงๆนะคิดนะแย่ๆคิดเร็วๆคิดรางกสกปกมันคิดได้หมดนะอ่ แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นแต่ก่อนเวลาเราเป็นทุกข์เวลาเราไม่สบายใจนะเราก็คิดว่าคนอื่นเขาเขาทำให้เราทุกขนะ์แต่จริงตัวเราเองนี่แหล ะ, ะคิดแล้วก็เป็นทุกข์คะแนนตัวนี้สาคัญมากทุกๆคนมันมีนะไอ้ตัวดักคิดตัวความคิดที่ไม่ไตั้งใจนี่แหละมันมาสร้างความเรียกว่า สร้างความหลงนะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจตัวเนี้ยตัวสําคัญไม่ว่าเราจะปฏิบัติทำด้วยรูปแบบไหนนะถ้าไม่มาเห็นตัวเนี้ยมายว่างมันมันไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิดปัญญาจริงๆเพราะว่าถ้าเห็นตัเนี้ยมันจะรื้อถอนรื้อถอนความเห็นผิดนะเห็นผิดว่าอะไรเห็นผิดว่า ความคิดมันเป็นเรามันจะเห็นว่าเป็นสัจจะว่าจิตมันคิดการดูความคิดเนี่ยไม่ใช่ไปดูแบบมไม่ใช่ดูเหมือนเราอ่านอ่านรับพรอ่านนเรื่องสั้นใชคือดูมันคิดไปเรื่อยไม่ใช่แบบนั้นนะคือที่จริง ถ, ถ, ถ้าตอสติลราพรเนี่ยพอเราเห็นความคิดเนี่ยมันจะเอกันเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับ ลูกสุนปืนนะยิยงไม่ถูกนกอะ่ะมันตกทันทีนะถ้าเห็นความคิดจริงเนะี่ยความคิดมันจะดับนะเราจะเห็นนะโอ้พอเห็นปุ๊บเนี่ยมันดับปั๊บทันทีแต่ถ้าเราบอกว่าเราเห็นความคิดแต่ความคิดมันยังคิดไปต่อได้เนี่ยแสดงว่าตอนนั้นกำลังสติมันไม่พอนะมันเห็นแต่มมนยังถูกล่า ถ้าเบียดเสมือนเด็กน้อยนะจับผ yes, ู้ใหญ่นะงวดจับแล้วนะแต่ยังถูกผู้ใหญ่ด่าไปนะแสดงสติเราไม่พอก็ไม่เป็นไรแสดว่าตอนนั้นกําลังสติเราไม่พอแล้วก็กลับมาสร้างสติใหม่กลับสร้างปติใหม่นะบางทีบางความคิดบางการปุงแต่งนะกําลังสติเราไม่พอก็กลับมาสร้างปติใหม่แต่ถ้ากําลังสติพอนะ มันเห็นความคิดปั๊บเนี่ยความคิดมันดับลงต่อหน้าต่อตาเราเห็นอ๋ออันนี้ะตัวสังขารตัวปรุงแต่งตัวที่ทําให้เรานะสร้างเรื่องราวต่างๆจนเป็นทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าก็ไตอนที่ท่านตัดสรู้นะท่านที่ว่าตัดนะพาติดแรกนะกับ ต, ตัวท่านเองนะไม่ใช่ต่อนคนอื่นนะ <c oughs> ท่านบอกว่า เรารู้จักเจ้าเสียแล้วนะในช่างผู้ปูกเดือนนะปลูกเรีว่าสร้างภบสร้างชาติในจิตใจเนาะพอเรารู้จักเจ้าแล้วเนะโคงเรือนเราก็รื้อเนี่ยไม่ให้ท่านสร้างเรือนให้เราอีกต่อไปเดือนตัวนี้ก็คือพพชาตินะท่านเห็นตัวนี้นะอ๋อความคิดในเองนะตัวสังขารก็วุูมแต่นี้เองนะที่มันสร้างภบสร้างชาตินะในจิตใจนี้ เนีดูดีๆนะเราจะเห็นปฏิบัติทำเจตสติเนมันจะเห็นเห็นตัวความคิดที่มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นแค่ความคิดนะมันเป็นแค่อาการที่จิตมันมันแปดคิดของมันเองนะถ้าเราเห็นแล้มันจะแยกได้อ๋อมันก็แค่ความคิดหนึ่งแต่บางครั้งถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งปรุงไปเป็นสกบ้างปรุงเป็นทุกข์บ้างนะ ปงเป็นความวิตกกังวลในอนาคตบ้านนะหรือเอาเรื่องาราวเก่าๆมาปรุงมาแต่งบ้านนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วโอ้มันวานได้มันวางได้นะไม่มี อ, อะไรมากกวนี้นะปฏิบัติธรรมมันมันมีแตเห็นนะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่มันดอกรวงนะเห็นแล้วมันก็มันก็ค้นเห็นแล้วมันก็วานในตัวสตินะที่เราฝึก สร้างความรู้สึกตัวเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือเหมือนให้จิตมันมีกำลังนะให้จิตมันมีมันมีที่ตั้งให้ให้จิตมันเข้มแข็งต่อไปจิตมันมันจะเข้าไปเห็นความคิดเนเห็นความคิดความคิดก็หลอกจิตไม่ได้นะแต่มันจะแยกได้ระหว่างจิตกับความคิดเนี่ยคนละอนกันนะความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จอดมาชั่วคราว คามคิดเนี่ยคือการปรุงแตง่งที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงนะแต่ตัวไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันคือของจริงคือสภ า, าวะจิตจริงๆของเราเนี่ยมันมันเป็นปกตินะสภ า, าวะจิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีการปรุงแต่งแต่กิเลส น, นะมันมาหลอกล่อให้เกิดการปรุงแต่งไปในจิตพอเราเห็นการปรุงแต่งไปในจิตนะมันก็ปรุงต่อไม่ได้นะ มันก็ปรุงต่อไม่ได้มันเหมือนคล้ายๆเหมือนเราไม่รู้ตัวนะเราอาจจะเปิดไปทิ้งไว้ในบ้านเปิดน้านทิ้งไว้พอเราเห็นนะเออมันเปิดทิ้งไว้ไม่ใช่ประโยชน์เราก็ปิดมันมันก็จบละนะความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดพอเรารู้ทันมันเหมือนปิดปิดสวิตช์มันดับลงไปได้อือันนี้คือเราปฏิบัตินเนะเจ๊ไปยแย่อ ที่จริงขันนะมันก็ทํางานของมันเองนะแต่พราะเราไม่รู้จักมันจริงๆนั่แหละเราก็เลยไปยึดว่าความคิดมันเป็นเรานะเราเป็นความคิดนเนี่ยสตินะปัญญามันจะเข้าไปลื้อถอนตรงนี้ยลื้อถอนขันทางห้าว่าเป็นเราเป็นของของเรามันจะถอนนี้ออกแต่มันก็ยังมีขันนะมันก็ยังต้องใช้ขันนะ เพราะว่าเรายังไม่ตายเนี่ยยังไงต้องใช้ขันขันเองก็ยังต้องทํางานแต่ถึงแม้ว่ามันทํางานต่างไปต่างคือความยึดว่าขันเป็นเราเนี่ยกับขันมันทํางานของมันเองเนี่ยตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยบางอย่างก็มีนะอแม้แต่พระอริยะบุคคลนะหรือว่าแม้แต่พระอารักฐนะานเองก็ดีนะ การทำงานของขันเพื่อใช้ในการคิดในการรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปธรรมาดา น, นี่แหละแต่สิ่งที่ต่างคือการที่ไม่ไปยึดว่านะขันนั้นมันเป็นเรามันเป็นของของเรานะมันต้องใช้นะอย่างวิญญาณการรับรู้เนี่ยมันก็ต้องมีนะทางตามหูจมุกลิ้ในกายใจท่านก็ต้องรู้ สัญญาจำได้ไหมรู้นะ่ะไอ้ภาษานี่ก็คือสัญญานะสมมุติต่างๆที่เราใช้ในทางโลกนี่ก็คือสัญญาก็ใช้เหมือนกันนะปรุงแต่งนะปรุงแต่งเพื่อจะสอนปรุงแต่งเพื่อจะพัฒนาวัดปรุงแต่งเพื่อจะอะไรต่างๆก็ต้องปรุงแต่งเหมือนกันนะมีสุขมีทุกข์เหมือนกันนะมีรูปเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันมีแบบไม่ยึด นะปรุงเสร็จแล้วก็วางได้นะจบได้นะไม่เหมือนคนทั่วไปนะปรุงแล้วก็ไม่จบเนาะเอามาคิดนะเํามาฝันะไม่จบสักทีอันนี้สติมันจะเข้าไปรื้อถอนนะความคิดที่มันปรุงแต่งที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ความคิดไหนที่มันจําเป็นต้องตั้งใจคิดเราก็ทํานะเวลาทํางานเราก็ตั้งใจคิดนะ ตั้งใจคิดไม่เป็นไรแต่เราจะเจอสติได้ตอนที่เราทำงานแบบไหนก็ถ้ามันมีความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเข้ามาแทรกในการทำงานนั่นหละอันนั่นคือให้สติดูทันเช่นเราทำงานอะไรก็แล้วแต่เราก็ตั้งใจในการทำตั้งใจในการคิดตั้งใจในการพูดแต่ถ้ามันเกิดอารมณ์นะอารมณ์ที่มันแทรกเข้ามาเช่น ขัดใจอมีคนเช่นมีคนพูดแล้วไม่ฟังเราเหมือนกันนะอะขัดใจนะขัดใจขึ้นเราก็ดูใจของเราเป็นยังไงขัดใจเป็นแบบไหนก็ดูมันมีคนพูดถ้าชอบใจนะเราเห็นความรู้สึกเราพอใจนะอะถ้าเห็นแนละ้วก็คือปฏิบัติธรรมละหรือบางทีก็หลงไปเลยดื่มไปคิดเรื่องอื่นไปคิดถึงลูกถึง บ้านคิดถึงงานที่จะทำในในตอนบ่ายตัวมันนะบางทีคนเรานะบางทีทํางานนี้นะแต่จิตไปทําอยากไปทํางานที่สองงานที่สามต่อละนี่คือมันกระโดดไปให้เรามีสตริรู้ทันนะมีสตริรู้ทันเวลามันเผลอไปคิด น, นะหรือว่ามันมีอารมณ์อะไรโผล่ขึ้นมาในขณะที่เราทํางานเนะี่ยนี่คือการปฏิบัติธรรม ในขณะที่ทํางานนะเราสามารถปฏิบัติทําแบบนี้ได้คือการดูความคิดดูอารมณ์ที่มันแทรกเข้ามาในขณะที่ที่เราทํางานนะหรืองานบางอย่างเราไม่เ ร, ไมเราไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดมากเราก็ดูร่างกายของเราทํางานกนะวาดบ้านดูบ้านก็ดูดูร่างกายเขากวาดบ้านนะแต่ไม่ใช่ไปพูดว่าตอนนั้นกวาดบ้านนะ ไม่ต้องไปพูดแบนะั้นไม่ต้องไปพูดกระดังล้างจานแค่รู้สึกตัวรู้สึกถึงการเคลื่อนการไหวรู้สึกถึงรูปที่มันกำลังทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปนิยามกับมันก็ได้แต่พูดให้ฟังไอ้เทนะคือไม่ต้องไปนิยามว่ากำลังวขวาดบ้านถูบ้า น, น, านแปรงฟันล้างหน้าอาบนะเราแค่รู้สึกถึงการมีอยู่ของรูปนะรูปคือวัตถุย่างน่ง รูปมันกำลังทำอะไรอยู่นะใจเป็นผู้รับรู้ถึงความมีอยู่ของรูกนะแต่ถ้าบางทีมันไม่ใช้ทำเฉยๆเช่นกวาดบ้านไปนะรูปทำของเถิะเถอะนะมาซุขากขยะไวใ้ในมุมนะพอเรากวาดไปเราเห็นนะจิตมันเกิดความโมโหขึ้นมาเนี่ยแหละเราก็มีสติรู้ทันจิตที่มันโมโหขึ้นนี่แหละ คือเราก็กวาดบ้านไปด้วยได้เห็นจิตใจที่มันโมโหไปด้วยเนะี่ยได้เจริญสติไปด้วยนะะเจริญสติในการรู้กายเคลื่อนไหวจเจริญสติในการรู้ทันใจที่มันโกรธขึ้นมาอันนี้คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจวันทุกอย่างนะเราไปซื้อของในตลาดตั้งใจจะไปซื้ออันนี้อ่ะโอเคกขาจะไปเดินหาอันนี้ แต่พอไปเห็นอย่างอื่นแทรกเข้ามาเอาใจมันไปสนใจอย่างอื่นละมันไปซื้ออย่างอื่นละไม่รู้ว่าจะเองตั้งใจซื้อหรือว่าเพราะมันอยากซื้อแล้วก็เห็นม่าน่ะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแทะถ้าเราเห็นมันก่อนนะสติจะเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวปล่อยพิจารณาว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะจำเป็นต้องซื้อไหมน่ะ หรือวามันหลงไปซื้อมันอยากซื้อเนี่ยสติจะเป็นตัวช่วยให้เราได้เห็นว่าอ๋อไอความอยากที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันหลอกเราให้ลงให้ไหลไปกับเขาหรือว่ามันก็มีความจําเป็นนะมันเป็นความต้องการที่จําเป็นก็ก็เอาไม่เป็นไรเนีอันนี้คือเราจะเห็นนะในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเรามีสตินะ จะเรียกว่าเนี่ยมันก็กลุ่มไปทั้งหมดนะความประหยัดมันก็มีอยู่ในตัวนะเพราะว่ามันจะช่วยพิจารณาว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นนะมันก็จะค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงนะใช้เท่าที่จําเป็นนะความมีศินมันก็เกิดขึ้นมาเพราะเราเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นในจิตนะมันคิดจะทําผิดศีลนะ เรามีสติรู้ทันแะเรายั้งไม่ทําตามมันเนี่ยที่จริงมันมันสั่งเราไม่ได้นะถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยที่จริงความคิดมันสั่งไม่ได้หรอกอเพราะจริงมือก็อยู่กับเราเนะ่ยปากก็อยู่กับเรานี่ยจะทําผิดถิ่นได้อะไรถ้าเรารู้ทันนั่นแะมันสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้แต่ถ้าขาดสตินั่นแหละมันถึงสั่งนะสั่งให้พูดไม่จริงสั่งให้ ขโมยของคนอื่นนะคือมันก็ต่างต่านะได้นี่คือติ่งมันก็เกิดขึ้นมานะสติที่ตอนเน้นฝึกนะในแ ต, แต่ละขนาดนะอย่างที่ว่ามันมีสมาธินะมันเป็นคณิกษ์สมาธิอยู่ในตัวพอมันเองนะขณิกษ์สมาธิเนะี่ยแม้เป็นคณิกษสมาธิเป็นสมาธิช่วขนาดสมาธิเล็กน้อยทีละขนาด ตอนไปสู่มรรคผลนิพพานนะจิตมันก็รวมนะเป็นสมาธิที่สูงขึ้นของอดีณ์นะะอย่าไปดูถูกว่าเฮ้อสมาธิแค่เนี้ยจะพอหรอแต่พอถึงขั้นขึ้นมากขึ้นผลเนะี้ยจิตมันรวมขึ้นไปสูงกว่านั้นเป็นสมาธิที่ตัดสัญญได้นะรักอนุสัยนะที่มันนอนเนื่องในสันานารได้มันจะคือมันไม่ใช่ว่าสมาธิเนี้ยต้องทําให้มันมาก ทีเดียวไม่จําเป็นนะมันเหมือนเป็นการสะสมเป็นการสะสมไปเรื่อยๆพอถึงขั้นนั้นจิตมันรวมของมันนะจิตมันเรียกว่ามันตั้งมั่นมันจับมั่นนะปัญญาตัดนะตัดอนุสัยตัดสัญญาณภายในจิตใจของเราได้นี่คือมันมีสมาธิตัวนี้ในตัวแล้วการที่เจริญสติเนะี่ยมันเป็นการเจริญปัญญาไปพร้อมกันนะ ปัญญาอย่างที่ว่ามันค่อยๆเห็นนั่นแหละเห็นแยกรูปแยกนามได้แยกอาการของรูปอา ก, การของนาม น, นะมันแยกไปไมันเห็นมันเห็นขาตั้งเท้ามันทํางานนะไม่ใช่การคิดพิจารณานะส่วนใหญ่บางทีคนว่าเจริญปัญญาเนะี่เยมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการคิดพิจารณานะคือการเจริญปัญญาที่จริงปัญญาจริงคือการมีสติเห็น เห็นการทํางานของรูปของนามเห็นการทํางานของขันท่านั่นแหละเห็นว่าขันท่าน่าเนี่ยมันมันอยู่คนละส่วนกันไงละถ้าเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยเหมือนนิ้วนั่นนิ้วมันแยกกันไ่ละแต่คนไม่เห็นอ่ะมันเห็นกบนอยเงี้ยมันรวมกันมันกลายเป็นเราคือเรามันไม่เห็นแต่พอเรามีกติมันเห็นแล้วเพรที่จริงขันแล้วก็มันก็แยกกันอยู่แบบนี้ของมันมันก็แค่ทํางาน ต่อการเฉยๆแต่พอเราไม่เห็นมันรวมกันมันก็ได้กลายเป็นเรากลายเป็นการยึดนะแต่พอเห็นมันก็ก็ก็คือขันธ์ห้ามันทํางานแบบนี้นี่คือถ้าเรามีสติเราจะเห็นเนี้แยกไปมันกนเกิดความเข้าใจนะแต่คือเห็นขั้นแรกมันเหมือนคล้ายๆจิตมันเคยสะสมความไม่รู้นะคําว่าความไม่รู้ที่แปลว่าอธิที่เราแปลมาจากคำว่าอวิชชาเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่ใช่เหมือนเราไม่รู้แบบเช่นเราไม่รู้ภาษาที่เราไม่รู้จักฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ใชไ่ไม่ใช่แบบนั้นแต่คำว่าไม่รู้เนี่ยแปลว่ารู้ไม่จริงมากกว่าใช่คือเราคิดว่าเรารู้ว่าเนี่ยการเป็นเราความคิดมันเป็นเราความสุขความทุกข์มันคือเราคำว่าอภิชาคือรู้แบบนั้นรู้แบบยังยึดว่าเป็นเรา แต่คาว่าวิชาจริงถอนความเป็นเราออกไปจากจากกายจากใจทรานั้นแหละนี่คือความรู้นะคำว่าความไม่รู้คือรู้ไม่ถูกมากกว่านะรู้ไม่จริงนะไปเห็นว่าเห็นว่าทุกเป็นสุขเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงนะเห็นของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนนั่นแหละคือมันรู้ผิดตรงนั้น พอเรามีสติเราจะค่อยๆเห็นอ๋อรูปมันก็มมันเป็นทุกข์นะเนี่ยรูปมันก็ไม่เที่ยงนะมันแสดงให้เราเห็นถ้าเรามีสตินะตัวรูปเนี่ยส่วนใหญ่จะแสดงความเป็ทนทุกข์ให้เราเห็นได้ชัดนความปวดความเมื่อยเนี่ยความหิวความร้อนความหนาวเนี่ยรูปก็แสดงความเป็นทุกข์ให้เราเห็นนะชัดมากนียส่วนจิตเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตนให้เราเห็นได้ชัดนะถ้าเราดูดีๆอ่ะคิดมันไม่เที่ยงนะนั่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่รู้คิดกี่เรื่องนะไม่รู้มีกี่อารมณ์นะวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นจนดับเนี่ยมีอารมณ์กรุงแต่งขึ้นในภายในจิดอีกเยอะมากแล้วก็สังเกต ด, ดูไอ้ความคิดที่ตั้งใจจะคิดจริงๆเนี่ยมันไม่กี่เรื่องนะแต่ความคิดที่ไม่ตั้งใจโผล่ขึ้นมานี่ เยอะแยะมากมายเลยเอคําว่าไม่ตั้งใจเนี่ยบัญทีเราก็จะคิดว่าเราตั้งใจนะแต่จริงมันไม่ตั้งใจก่อนแล้วเราก็เผลอไป็นกำนันเอาง่ายๆเช่นเราไปเดินนะอะเจอดอกไม้จิตมันไปพอพอตากระทบเห็นดอกไมุู้ปเนี่ยจิตมันเกิดความสนใจแล้วไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ตั้งใจนะแต่พอมันสนใจตัวนี้ เราเกิดความพอใจมันเราก็เลยไปดูมันมเราคิดว่าเราตั้งใจดู <c ười> แต่จริง<ว>มันหลอกให้เราไปดูก่อนนะหลอกให้เราไปดูก่อนถ้าเราไม่รู้ทันเราก็เลยไปดูมันโอ้อันเนี้ยเราตั้งใจดูนะที่จริงมันดงไปก่อนลนะท <c ười> ุกสักอย่างไ ป, ไปมานั้นนะแต่ยนะินเลียงขึ้นมาปุ๊บน่ะเอ๊จิตมันอยากฟังเราก็ไปฟัง ฟังเพลงบ้างฟังนั่นฟังนี่บ้างฟังคนเขพูดกันบ้างนะแม้แต่บางทีคนศึกษาธรรมนะนักบางที อ, อบางทีมีเพื่อนมาถามธรรมะต่พอพระะเราก็ปฏิบัติทําไปแต่จริงหูเราเงองนี้หูฟังว่าาพูดอะไรกัน <c oughs> <c oughs> ก็มีนะอืมอันนี้คือก็หลงไปฟังนะอืมทางทั้งที่มันก็ดีนะบางอย่างก็ดีแต่บางทีมันทําให้เราเหมือน ดื่มเนื้อดื่มตัวไปนาะที่จริงถ้าจะดีก็ถ้าจะทําอะไรให้ตั้งใจทําสักอย่างหนึ่งเ mm hmm. ช่นถ้าเราปฏิบัติก็ให้เน้นที่การปฏิบัติตอนนีน้แต่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าไม่ให้ไม่ได้ยินไม่ใช่นะแต่ให้รู้ทันเช่นเมื่เราได้ยินเสียงคนพูดทธรรมะใจเราอยากจะฟังให้รู้ทันใจเราที่อยากฟังนะ mm hmm. แต่ฟังแล้วได้ยินเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ธรรมดาะได้ยินหรือไม่ได้ยินมันเป็นเรื่องของของระดับเสียงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มันมันพอเหมาะแต่ถ้าเราเห็นด้วยใจเราไหลเป็นฟังใจเราไหลไปสนใจนั่นแหละนี่คือเราจะเห็นธรรมขาว่าเห็นจิตนะที่เห็นมันเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ในความคิดนะหรืออยู่ในการปรุงแต่งแล้วเรียกว่าเราเห็นมันไม่ใช่ คือเราเห็นใจมันมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่คือเราจะเห็นว่าที่จริงความปรุงแต่งความคิดต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างภบสร้างชาตินะเราจะรื้อถอนความเข็นผิดตรเนี้ได้เนี่ยคือการการจะเดรินสตินะมันครบทั้ง ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมคือครบทั้งรูปทั้งนามอะไรมันมันเป็นทั้งสมถะแล้วเป็นวิปัสนาอยู่ในตัวนะบางทีมานไม่ก็อยากจะแยกหรอกแต่บางทีก็อยากอยากให้เราแค่เขาจะถ้าสมถะบางทีบางคนถ้าทําแค่สมถะมันไปต่อไม่ได้เนยมันก็เจริญถู่ปัญญาไม่ได้จริงจริงแต่เจอสติน่ะมันก็มีทั้งสมถะแล้วก็วิปัสนาอยู่ในตัว บางทีมันเป็นเรื่องที่สติเขาเขาเลือกของเขาเองได้อย่างบางทีถ้าเขาทําในรูปแบบมากๆเนี่ยบางทีก็จะเน้นที่ที่กายหรือจิตมันก็จะเป็นสมาธิมากหน่อยแต่พอออกไปทํางานหรือออกไปเดินผ่อนค า, ายสักหน่อยเนี่ยมันจะเห็นความคิดบ่อยนเห็นอารมณ์ที่มันแทรกเข้ามาเพราะมันมีสิ่งกระทบเข้ามาเยอะขึ้นไว้เห็นนะ แต่จิตก็เดี๋ยาก็จิตก็ไปดูเดี๋ยจิตก็ไปฟังเดี๋ยจิตก็ไปคิดตรงสัยดยจิตก็ไปวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆนะเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยยิ่งเห็นเยอะเลยนะเวลาประชุมเวลาคุยโทรศัพท์เวลาดูข่าวน่ะมันจะเห็นในตัววิพากษ์วิจารณ์อยู่ในใจนะอ่ามันปวดมันโผล่ขึ้นมาแต่คนทั่วไปยังไม่ค่อยเห็น พอมาวิจาร์ปุเ๊เราก็เป็นเราเป็นวิจารณ์ต่อไปเป็นนักวิภากษวิจารณ์เป็นนักวิเคราะห์เป็นนักกํากับเป็นนักอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้าดูดีๆอ๋อจิตมันปรุงนะเดี๋ยวก็ปรุงเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าจะสนุกนะถ้าภาวนาะได้ดักจริงๆเนี่ยจะสนุกสนุกดูสนุก ด, ด, ด, ด, ดูนะ รู้ความคิดน่ะสนุกรู้ความคิดสนุกดูจิตที่มันพรุงแต่งนะมันจะสนุกมากเพราะว่ามันจะเห็นมันหลอกไม่ได้นะมันหลอกไม่ได้แต่บางทีมันก็มีเผลอหลอกได้เหมือนกันนะแต่มันก็สนุกคล้ายๆเหมือนถ้าเป็นนักกีฬานะถ้าเจอคู่แข่งที่มันสูสีกันหรือมันมันจะชอบนะมันจะมัน เข้าท่าแล้วอ่ามันจะรู้สึกว่าตอนได้พัฒนาขึ้นหรือบางอย่างเด็กๆมาเนี่ยก็สบายไม่กลัวมาเนี่ยนี่คือสติถ้ามันพัฒนาไปนะเออมันจะรู้ละอะไรเราทำได้หรืออะไรเรายังทำไม่ได้เราก็รู้นะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นงานที่เราต้องพัฒนาต่อไปนะอันนี้คือการเจริญสตินะอ่นะ เบื้องต้นแล้วก็มีกรรมฐานนี่แหละอาศัยการเคลื่อนไหวนะี่เป็นฐานในการเรียกว่าสร้างสติเนาะหรือบางครั้งสติเรากาลังอ่อนแล้วก็อาศัยรูปแบบนั่แหละในการสร้างสติให้มันมากขึ้ น, นเรื่อยๆต่อไปสติเขาพัฒนานะเขาก็จะเห็นจิตเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งนะี่ต่อไปสติเป็นอัตโนมัติ ครั้นี้เราก็แค่เคลื่อนไหวไปไม่ได้มีเจตนาอะไรมากหรอกนะจิตมันก็จะรู้ของมันเองบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตะนะบางทีมันเลือกไม่ได้หรอกบางทีสติมันก็จะไปเจริญที่ ส, สมาธิมากหน่อยบางทีสติก็จะไปเจริญที่ตัวปัญญามากหน่อยนะพอเจริญปัญญาดูดูความคิดดูใจรักมากๆ มันเหนื่อยมันก็กลับมาพักเจริญสมาธิพอมันพักพอสมควนแล้วก็ออกไปดูความคิดไปเจริญปัญญาของมันเองมันมันเป็นตัวแบบมันเป็นตัวปรับสมทุนในการปฏิบัติธรรมของมันเองนะอันนี้คีอการปฏิบัติธรรมถ้าเราทําเนี่ยมันจะมันจะง่ายนะแล้วก็มันก็จะไปได้เรื่อยๆเนาะอะก็ฝากไว้ีน้